วันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดทำงานของญาติโยมศรัท ธ, ธาผู้ที่มีศรัท ธ, ธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ไม่ต้องไปทำงานทำการเลยตั้งใจจะมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาหาวิชาความรู้ทางธรรมการได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เราได้ยินเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเรื่องราวที่เราไม่เคย ไม่เคยได้ยินก็คือเรื่องราวที่แท้จริงของตัวเรานี่แหละเรื่องที่เรารู้เกี่ยวกับตัวเราในขณะนี้เป็นไม่เป็นความจริงความจริงที่เป็นเรื่องของเรานี้เราไม่รู้ว่าเราเป็นใครกันแนะ่ความจริงที่เรารู้กันในตอนนี้ เรารู้ว่าเราเป็นร่างกายเรามีร่างกายเราเป็นหญิงเป็นชาย เ, ออเป็นลูกของไขเป็นชาติอะไรออความจริงนี้มันไม่ได้เป็นความจริงเพราะความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็น หญิงเป็นชายเราไม่ได้เป็นชนชาตินั้นหรือชนชาตินี้เพราะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรานั่นเองเรานี้เป็นใจใจที่มาได้ร่างกายเป็นของเล่นร่างกายของพวกเรานี้ เป็นของเล่นของพวกเราเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราเอามาเล่นเราเอามาใช้ให้เรามีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลินเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เราอยากจะดูรูปเราก็ใช้ตาของร่างกายนี้ดูเราอยากจะฟังเสียงเราก็ใช้หูของร่างกายนี้ฟังผู้ที่ดูผู้ที่ฟังนี้คือเราที่ไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายนี้คือตานี้เขาไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไร หูนี่เขาไม่รู้ว่าเขาได้ยินอะไรผู้ที่รู้ว่าตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรนี้ไม่ใช่ร่างกายเป็นเหมือนโทรศัพท์กับคนที่ใช้โทรศัพท์รรพนี่เป็นคนสองคนกันโทรศัพท์มีกล้องไว้ถ่ายรูปแต่กล้องนี้เขาไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปอะไร ไม่รู้ว่าถ่ายรูปของคนนั้นของคนนีเออ้เวลาอัดเสียงเข้าไปในเครื่องเครื่องก็ไม่รู้ว่าอัดเสียงของใครเสียงอะไรออตัวเครื่องนี้ไม่มีความรู้ในตัวของมันเองมันไม่รู้ว่ามันกำลังถ่ายภาพอะไรมันไม่รู้ว่ามันกำลังได้ยินเสียงอะไรผู้ที่รู้คือผู้ที่เป็นเจ้าของ โทรศัพท์มือถือเป็นผู้สั่งให้โทรศัพท์มือถือนี้ถ่ายภาพนั้นถ่ายภาพนี้ให้บันทึกเสียงนั้นเสียงนี้นั่งกายก็เป็นเหมือนกับเครื่องโทรศัพท์มือถือนี้เองที่มีตามีหูมีตาไว้บันทึกภาพมีหูไว้บันทึกเสียง หรือถ่ายภาพบันทึกเสียงแล้วผู้ที่รู้ภาพรู้เสียงนี้คือเราคือใจใจคือผู้รู้ผู้รู้ภาพรู้เสียงผู้สั่งให้ร่างกายไปถ่ายภาพชนิดนั้นไปถ่ายภาพชนิดนี้ไปฟังเสียงชนิดนั้นไปฟังเสียงชนิดนี้ ผู้ที่สั่งนี้ไม่ใช่ร่างกายเรานี่แหละคือผู้รู้ผู้คิดที่เราเรียกว่าใจเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายไปถ่ายภาพไปฟังเสียงเพราะเรามีความสุขเวลาที่เราได้เห็นภาพที่เราชอบ เวลาที่เราได้ยินเสียงที่เราชอบเราก็เลยสั่งให้ร่างกายนี้ไปทําตามสิ่งที่เราชอบไปหาภาพที่เราชอบดูไปหาเสียงที่เราชอบฟังและนอกจากภาพกับเสียงเรายังมีกลิ่นที่เราชอบดมมีรสที่เราชอบ ลิ้มสัมผัสอาหารต่างๆนี่เราลิ้มเรากินอาหารเพราะเราอยากจะลิ้มรสของอาหารเราเลือกอาหารกันเพราะอาหารมีรสหลายชนิดด้วยกันเราจะเลือกเอารสที่เราชอบเพราะรสที่เราชอบทำให้เรามีความสุขรสที่เราไม่ชอบทำให้เรามีความทุกข์ อะไรที่ทำให้เรามีความทุกข์เราจะไม่ชอบเราจะไม่เลือกเราจะเลือกเอาแต่สิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเราจะเลือกเอาแต่สิ่งที่เราชอบนี่คือเดาวกับร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้ในการหารูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางร่างกายที่เรียกว่าโผฏฐะร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราเหมือนโทรศัพท์มือถือนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้ในการที่เราจะ หาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อ น, นี้คือความจริงที่เราจะเรียนรู้ถ้าเราได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้รู้ว่าเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกายเหล่านี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ และเป็นผู้รู้ว่าร่างกายกําลังทําอะไรกําลังเห็นอะไรกําลังได้ยินอะไรนี่แหละคือเราที่ไม่ใช่เป็นร่างกายแต่ปัญหาของเราคือเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายรเรามองไม่เห็นตัวเราด้วยตาของร่างกาย เราเลยไปหลงคิดว่าเรากับร่างกายเป็นคนเดียวกันเพราะเรากับร่างกายนี้อยู่ติดกันตลอดเวลาเหมือนกับแฝดสยามฝาแฝดที่ติดกันไปไหนต้องไปด้วยกันเราก็เลยคิดว่าร่างกายเป็นเรา เราเป็นร่างกายไม่ใช่แต่เฉพาะเราเท่านั้นที่คิดทุกคนในโลกนี้ที่มาเกิดนี่คิดเหมือนกันหมดพ่อแม่ของเราก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นเราร่างกายของพ่อแม่ก็คิดว่าเป็นของพ่อของแม่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกความจริงร่างกายนี้ เป็นเพียงร่างกายเท่านั้นไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราเราไม่ได้เป็นลูกของร่างกายของพ่อของแม่พ่อแม่ก็มีใจเหมือนเราเราก็มีใจเหมือนพ่อแม่ที่เรามาใช้ร่างกายทำอะไรกันมาหาความสุขผ่านทางร่างกายกัน ทำไมเราจึงต้องมาหาความสุขผ่านทางร่างกายกันก็เพราะว่าเราคิดว่าการมีร่างกายจะทำให้เราหาความสุขได้นั่นเองเพราะเวลาเราเห็นรูปที่เราชอบเราก็เกิดความสุขขึ้นมาได้ยินเสียงที่เราชอบก็เกิดความสุขขึ้นมา เราก็เลยมาใช้ร่างกายมามีร่างกายกันมาหาร่างกายกันร่างกายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นร่างกายอันแรกหรืออันสุดท้ายของเราร่างกายที่เรามีอยู่นี้เป็นร่างกายระดับที่ไม่รู้กี่ล้านร่างกายแล้วเราเคยมีร่างกายแบบนี้มามากมายกายกอง จนเราไม่สามารถรับจนับจํานวนได้ร่างกายที่เรามีมานี้เหมือนกับมีโทรศัพท์มือถือตั้งแต่มีมือถือมานี้เราเคยจดบัญชีบันทึกไว้บ้างหรือเปล่าว่าเครื่องที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้เป็นเครื่องที่เท่าไหร่แล้วเครื่องก่อนที่เรามีมีกี่เครื่องเพราะโทรศัพท์มัน มือถือนี้ออกมานี่ก็หลายหลายปีแล้วใช่ไปแล้วเดี๋ยวมันก็เสียมันก็พังพอมันเสียมันพังหรือมันตกรุ่นเราก็เปลี่ยนมือถือใหม่ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนมือถือที่เราเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าร่างกายมันก็เป็นเหมือนมือถือไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องพังไป พอมันพังไปความต้องการที่จะใช้ร่างกายหาความสุขก็จะทำให้เราต้องไปหาร่างกายอันใหม่เหมือนกับการที่เราเปลี่ยนโทรศัพท์มือถืออยู่เรื่อยๆเพราะเรามีความอยากใช้โทรศัพท์มือถือในการสื่อสารในการติดต่อกันพอโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มันเสีย เราก็ไปซื้อเครื่องใหม่ทันทีนี่คือร่างกายของเราก็เป็นเหมือนมือถือร่างกายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นร่างกายรุ่นล่าสุดถ้าเป็นไอโฟนก็ไอโฟนรุ่นล่าสุดถ้าเป็นซัมซุงก็เป็นซัมซุงรุ่นล่าสุดเดี๋ยวต่อไปมันก็ตกรุ่น ต่าไปมันก็จะเก่ามันก็จะแก่เหมือนกับโทรศัพท์ตุ่นเก่าเนี้เริ่มใช้งานไม่ค่อยได้ไม่สามารถใช้กับอโปรแกรมใหม่ๆแอปใหม่ๆได้เพราะร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็จะเก่าจะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะไม่สามารถที่จะ ใช้ร่างกายนี้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลทตัได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็อยากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่บางคนก็ฆ่าตัวตายก็เหมือนกับว่าทุบโทรศัพท์มือถือให้มันเสียพอทุบโทรศัพท์เครื่องเก่าเสียจะได้ไปซื้อเครื่องใหม่ คนที่ค่าตัวตายเวลาที่เขาไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้เขาก็เลยฆ่าร่างกายทำลายร่างกายเหมือนกับคนที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าได้ก็จะโยนเครื่องเก่าทิ้งไปเพื่อจะได้ไปซื้อเครื่องใหม่มาใช้ใหม่ร่างกายเราก็เป็นแบบเดียวกัน พอาร่างกายเข้าสู่สภาพที่เก่าที่แก่ที่เจ็บที่คอยเสียอยู่เรื่อยๆใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วในที่สุดก็ใช้ไม่ค่อยได้เลยเจ้าของโทรศัพท์เจ้าของร่างกายคือใจก็เลยอยากที่จะหนีจากร่างกายอันเก่าไปวิธีหนีก็คือฆ่าร่างกายอันเก่า เพื่อที่จะได้ไปหาร่างกายอันใหม่นี่คือเรื่องของร่างกายที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้เป็นร่างกายชั่วคราวเป็นหนึ่งในหลายล้านในหนึ่งหลายล้านในหลายหลายล้านร่างกายที่เราเคยมีมาเราเปลี่ยนร่างกายมานี่เป็นหลายหลายล้านล้านล่าง กายแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะดูว่าเราได้เปลี่ยนร่างกายมากี่ล้านล่างแล้วก็ให้เราเอาน้ำตาที่ร่างกายของเรานี่หลั่งออกมาชาตินี้เราเกิดมาเราร้องไห้กี่ครั้งเราหลั่งน้ำตากี่ครั้ง ให้เก็บน้ําตาที่เราหลังนี้มารวบรวมไว้เนี่ยชาตนี้เราอาจจะร้องให้ถึงแก้วหนึ่งแม่น้ําตาแก้วที่เราใช้ดื่มน้ํอาออะเาสมมุติว่าเราหลังน้ําตากันประมาณหนึ่งแก้วในในหนึ่งชีวิตนี้พระพุทธเจ้าบอกน้ําตาที่เราหลังในแต่ละชีวิตนี้ในแต่ละร่างกายนี้ถ้าเราเอามารวมกันแล้ว ในบรรดาร่างกายต่างๆที่เราเคยมีมาน้ำตาที่เราหลังนี้จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูซิว่าเอาแก้วที่เรารับใส่น้ำตาเนี่ยลองไปตักน้ำในมหาสมุทร ด, ดูลองไปตักดูว่าต้องตักกี่ครั้งน้าในมหาสมุทรถึงจะแห้งหมดไป นี่ละคือจำนวนร่างกายที่พวกเรามีกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เรามีร่างกายมากมายกายกองเรามีความทุกข์กับร่างกายนี้มากมายก่ายกองทุกข์กับหลายเรื่องด้วยกันทุกข์กับร่างกายเองเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ ก็ร้องไห้กันทุกกันบางทีก็ทุกแบบไม่ร้องไห้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็ทุกกันแล้วเวลาที่เราไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบเราก็ทุกกัน <Yeah. S 1> เวลาไปได้ยินเสียงใครเขาด่าเราใครเขาว่าเราเสียเสียหายหาย ทั้งทั้งที่ไม่เป็นความจริงหรือเป็นความจริงเราก็เสียใจร้องไห้หรือเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปคนที่เรารักไปเช่นเวลาพ่อแม่ของเราตายจากเราไปเราก็ร้องไห้กันเราก็ทุกข์กันนี่คือส่วนที่เราไม่คิดกัน คือความทุกข์ที่เราได้รับจากการมามีร่างกายกันนอกจากการมีความสุขจากการมีร่างกายแล้วเราก็ยังต้องมีความสุขมีความทุกข์กับการมีร่างกายด้วยมันเป็นของคู่กันความสุขกับความทุกข์นี่มันมาคู่กันมาด้วยกันเป็นเหมือนเหรียญสองด้าน เหรียญนี้ไม่มีด้านเดียวเหรียญมีสองด้านแล้วแต่ละด้านก็ไม่เหมือนกันด้านหนึ่งเราเรียกว่าหัวด้านหนึ่งเราเรียกว่าก้อยร่างกายนี้ก็เหมือนกันมาสองด้านมาด้านหนึ่งก็สุขอีกด้านหนึ่งก็ทุกข์เนี่ยนี่แหละคือเรื่องของเราเรามาสุขมาทุกข์กับร่างกาย โดยที่เราไม่มีความคิดว่าเราจะมาทุก์กับร่างกายเลยแลเมื่อเรามามีร่างกายแล้วเราก็หนีความทุกข์ของร่างกายไปไม่ได้เพราะร่างกายนี้มันให้ความสุขและความทุกข์มันมีทั้งสองส่วนด้วยกันเราจะเอาอย่างเดียวไม่ได้เรามาเกิดแล้วมีร่างกายแล้วเราจะาหวังจะให้มีแต่ความสุข ความเจริญอย่างเดียวไม่ได้อย่างญาติโยมนี่ชอบให้พระโกหกเลยเ้าชอบให้พระให้พรพระก็เลยต้องโกหกขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะไม่เคยบอกว่าไม่เคยพูดความจริงว่าขอให้มีทั้งความสุขทั้งความทุกข์เลยนะเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นร่างกายนี้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ มีทั้งการเจริญมีทั้งเสื่อมแต่ญาติโยมนี้อยากจะฟังแต่เรื่องของความสุขของความเจริญพระก็เลยต้องโกหกเนี่ยทุกวันเนี้ยพระโกหกต่อหน้าญาติโยมโกหกแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยแต่แทนที่ญาติโยมจะว่าโกหกกับสาธุกันใหญ่ดีแล้วเจ้าค่ะดีแล้วครับผมอ หลวงพ่อพูดถูกเปี้ยเลยสาธุสาธุไม่ให้พูดความจริงพราะพูดความจริงก็ว่าหลวงพ่อนี่สาบแช่งเสีแล้วเป็นอย่างนั้นไปขอให้มีแต่ความทุกข์กันนะขอให้มีความเสืิอมกันนะถ้าพูดอย่างนี้แล้วจะหาว่าหลวงพ่อโกสาบแช่งพูดไม่เป็นมงคลเป็นอย่างนั้นไป พูดความจริงกับกลายเป็นพูดเป็นเรื่องที่ไม่เป็นมงคลไปต้องพูดความไม่จริงถึงจะเป็นมงคลถึงจะสาทุกันนี่แหละคือความจริงที่พวกเรามองไม่เห็นกันหรือไม่ยอมมองกันแล้วก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจกันในภายหลังถ้าพระพูดความจริงให้ฟัง ก็อาจจะทำให้ญาติโยมเกิดความคิดขึ้นมาว่าอ้าวถ้าร่างกายมันต้องทุกข์มันต้องแก่ต้องเสื่อมเราอย่าไปมีร่างกายไม่ดีกว่าหรืออไม่คิดอย่างนี้กัน อ, อันนี้แหละเป็นปัญหาของพวกเราไม่ยอมฟังความจริงพระก็เลยไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าอวยพรความจริงให้ ต้องให้อวยพรแต่ความไม่จริงให้พอพระบอกยิ่งสุขยิ่งเจริญก็เลยยิ่งอยากจะมีร่างกายกันอยากจะให้มีพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ก็จะได้สุขได้เจริญใหม่แต่เวลาได้มาแล้วมาล้องห่มล่องไห้กันอันนี้มองไม่เห็นไม่คิดกันถ้าเรา ยอมให้พระสอนความจริงอย่างวันนี้มาก็จะได้ฟังความจริงโยพรความจริงให้ว่าร่างกายนี้มันไม่มันไม่เจริญอย่างเดียวมันต้องเสื่อมด้วยมันไม่สุขอย่างเดียวมันต้องทุกข์ด้วยแต่ความจริงนี้มันก็เป็นประโยชน์เพราะมันจะ ทำให้เรานี้แก้ไขปัญหาได้ตอนนี้ปัญหาของเราก็คือความทุกข์ที่เรามารับผ่านทางร่างกายทีถ้าเรารู้ความจริงว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราเราไม่ต้องไปมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย อันนี้เป็นความจริงที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบความจริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาได้ร่างกายมาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแต่ร่างกายไม่ให้แต่ความสุขเพียงอย่างเดียว นอกจากให้ความสุขกับเราแล้วมันก็ให้ความทุกข์กับเราด้วยถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์จากร่างกายเราก็ต้องไม่มีร่างกายอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสงค้นพบว่าเราไม่ต้องมีร่างกายก็ได้เราไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกาย การที่เราจะไม่มีร่างกายเราก็ต้องหยุดใจหยุดความอยากของเราเองความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายและเราก็สามารถหยุดได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงคนพบเครื่องมือที่จะทำให้เรานี้หยุดหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ทำให้เราต่อไปไม่ต้องมีร่างกายได้ อันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะได้ยินได้ฟังเวลาเรามาฟังเทศฟังธรรมจะไม่ได้ยินเรื่องนี้จากที่ไหนไม่มีใครรู้เรื่องนี้เรื่องการที่ไม่มีร่างกายนี้ดีกว่าการที่มีร่างกายเพราะมีร่างกายนี้ถึงแม้จะได้ความสุขผ่านทางร่างกายก็ได้ความทุกข์ผ่านทางร่างกายอย่างหนักหนาสาหัส าันจนกระทั่งไม่อยากจะอยู่กันเวลาที่ร่างกายมันให้ความทุกข์กับเราอันนี้เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะรู้ว่าเรานี้สามารถเลิกใช้ร่างกายได้เลิกมีร่างกายได้ตอนนี้เราเป็นเหมือนคนติดยาเสพติด หรือติดโทรศัพท์มือถือติดร่างกายมีใครบ้างที่บอกว่าไม่ติดโทรศัพท์มือถือคนไหนบอกไม่ติดเอามือถือมาให้เราหน่อยเราก็อยู่แบบไม่มีมือถือเดูอสมัยก่อนไม่มีมือถือก็ทำไมอยู่กันได้ไม่เห็นเดือดร้อนเลยสมัยนี้ลืมมือถือไว้ตรงไหนปั๊บเดี๋ยวก็วุ่นวายใจขึ้นมาแล้วเอ้ยโทรศัพท์อยู่ไหนวะ ค้นหาใหญ่ตอนนี้เราเป็นคนเป็นพวกติดยาเสพติดยาเสพติดที่เราเสพกันตอนนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือนี่เองนอกจากโทรศัพท์มือถือแล้วไอ้ตัวที่เราติดมากที่สุดก็คือติดร่างกายนี่เองเพราะเราต้องมีร่างกายเราถึงจะสามารถหาความสุขได้ เหมือกับเราต้องมีมือถือเราจึงสามารถติดต่อกับใครทําอะไรได้เดี๋วนี้จะทํำรายนี้ต้องทําผ่านมือถือกันแล้วจะฝากเงินจะเบิกเงินทางธนาคารก็ต้องใช้มือถือกันแล้วจะจองตัว๋วเรือบินจองที่พักจองอะไรทําอะไรเดี๋ยวนี้ใช้มือถือกันจะซื้อข้าวซื้อของซื้อของกินของใช้ อยากจะกินพิซซ่าก็ต้องใช้มือถือกดหมายเลขที่ก็บอกไว้เดี๋ยวเขาก็มาส่งให้เราก็เลยติดมือถือกันเหมือนติดยาเสพติดเวลาที่มือถือหายไปเราวุ่นวายใจกันมากแต่เมื่อก่อนนี้เราไม่มีมือถือเราก็อยู่กันได้อยู่สบายกว่ามีมือถือเสิ พอมีมือถือแล้วนี้ต้องมาวุ่นวายกับการดูแลรักษาเครื่องมือถือกันต้องคอยชาร์จแบตกันอยู่เรื่อยๆเวลามันเสียก็ต้องไปซ่อมเมื่อก่อนไม่มีมือถือไม่ต้องมาคอยชาร์จแบตไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเสียเงินไปซื้อมือถือมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยคิดกัน เราชอบความสะดวกความสบายกันโดยลืมว่าความสะดวกความสบายนี้มันทำให้เราวุ่นวายกันโดยไม่รู้สึกตัวทำให้เราทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวเช่นเดียวกับการมีร่างกายนี้มันทำให้เราทุกข์ให้เราวุ่นวายกันโดยไม่รู้สึกตัวมันทำให้เราต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันโดยไม่รู้สึกตัว เวลามันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันจึงต้องเป็นอย่างนี้เวลาเราทุกข์กันนี้มักจะถามกันอยู่เรื่อยๆทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละคือความโง่ของเราเองที่เราไม่รู้ว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้ร่างกายมันให้ทั้งความสุขกับเราและให้ความทุกข์กับเราความทุกข์ที่เราไม่ต้องการนี่แหละแต่มันจะต้องมา ให้เราเจออยู่เสมอพระพุทธเจ้าก็มีร่างกายเหมือนพวกเราพระพุทธเจ้าก็ทุกข์กับร่างกายเหมือนพวกเราแต่พระพุทธเจ้าต่างจากพวกเราตรงที่ว่าพระองค์นี่คิดเป็นคิดว่าการมีร่างกายนี่มันทุกข์เหลือเกินท่านก็เลยคิดว่าทำอย่างไรไม่ให้เราต้องมาทุกข์กับ ร่างกายเอก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะไม่ทุกข์กับร่างกายก็คืออย่ามีร่างกายอถ้าเราไม่มีมือถือนี่เราจะไม่ต้องทุกข์กับมือถือเอมันหายเราก็ไม่ทุกข์มันเสียมันเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเรามีมือถือเราก็จะต้องทุกข์กับมือถือถ้าเราอยากจะไม่มีมือถือเราก็ต้องหัดอยู่แบบไม่ใช้มือถือเท่านั้นเอง ทำไมก่อนปู่ย่าตายายไม่ได้อย่าว่าแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เราเขาก็ไม่มีมือถือกันเขาก็อยู่มาได้เขาเลี้ยงเรามาจนโตได้โดยไม่ต้องมีมือถือต่อมเราต้องมีมือถือด้วยเราก็หัดอยู่แบบเขาดูสิแล้วเราจะสบายใจกว่าการมีมือถือเช่นเดียวกับเรื่องของร่างกายนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบว่า ใจนี้สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีร่างกายสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะการหาความสุขผ่านทางร่างกายนอกจากจะได้ความสุขแล้วมันมีความทุกข์ติดมาด้วยสู้อยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าเพราะการอยู่แบบไม่มีร่างกายได้นี้ จะไม่มีความทุกข์ตามมาจะมีความสุขเพียงอย่างเดียวถ้ารู้จักอยู่ถ้ารู้จักไม่รู้จักอยู่แบบไม่มีร่างกายก็จะอยู่แบบทุกข์ทรมานใจเช่นเราไปอยู่ที่ที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขเช่นไปอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวนี้แทนที่เราจะมีความสุขเรากลับจะทุกข์กัน เพราะเรายังอยากจะหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองแสดงว่าเรายังอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายพอเราไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้มันก็ให้ความทุกข์กับเราแต่ถ้าเรามาหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้เราจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพระพุทธเจ้าก็เลยตัดสินใจออกบวชเพราะเห็นพวกนักบวชนี่เขาอยู่แบบไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเขาหาความสุขด้วยการหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุข เวลาที่เขาหยุดความอยากได้ใจของเขาก็เกิดความสุขขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยไปอยู่กับพวกนักบวชไปบวชออกบวชสละราชสมบัติสละความสุขที่เคยหาผ่านทางร่างกายสละความสุขที่เคยได้จากตาหูจมูกลิ้นกายไป ไม่ต้องการอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปแล้วก็ไปคอยควบคุมความอยากที่จะกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายด้วยการเจริญสติสตินี้เป็นเครื่องมือของใจเองมีอยู่ในใจที่สามารถที่จะหยุดความอยากของใจได้ ถ้าสร้างสติขึ้นมาถ้าสติมีกําลังมากสติจะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้พอความอยากได้รับการระ ง, งับลงด้วยสติใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่ยังสามารถมีความสุขได้ถ้าใจมีสติ ที่จะสามารถระ ง, งับความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ออพวกนักบวชเนี่ยเขาทำหน้าที่อันนี้อันเดียวเท่านั้นคือฝึกสติสร้างสติกันไปอยู่คนเดียวถึงจะสร้างสติได้อย่างสะดวกรวดเร็วง่ายดายถ้าไปอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่กับที่ที่มี สิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายจะทําให้การสร้างสตินี้ยากเพราะการสร้างสตินี้ต้องควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องเดียวถ้าไปอยู่กับหลายเรื่องแล้วมันจะไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้ต้องให้มันอยู่กับเรื่องเดียวต้องให้มันหยุดคิดให้ได้ะ เพรความคิดนี้เป็นผู้สร้างความอยากขึ้นมาเป็นเครื่องมือของความอยากถ้าเราไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพะความอยากในรูปเสียงกลิ่นพดกลิ่นรสผดพภพะนี้จะปรากฏขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าเราคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพะเดี๋ยวความอยากก็จะไหลออกมาทันทีโผล่ขึ้นมาทันที พอคิดถึงพิซซ่าความอยากกินพิซซ่าก็โผล่ขึ้นมาทันทีพอคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูภาพยนตร์ทันทีพอคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปทันทีแต่ถ้าเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้ความอยากจะไปทำตามสิ่งต่างๆที่เราคิดนี้ก็จะไม่มีพอไม่มีความอยากใจเราก็จะสงบ จะสบายจะมีความสุขขึ้นมามความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพียงแต่ว่าความสุขที่เราทําได้จากการมีสตินี้มันยังเป็นแบบรุ่มรุ่ ม, มดอนดอนเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเพราะสติของเรานี่ ไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาสามารถควบคุมได้เป็นพักๆช่วงไหนที่สติไม่ควบคุมช่วงนั้นความอยากก็ยังโผล่ขึ้นมาได้พอความอยากโผล่ขึ้นมามันก็จะทำให้ใจเราทุลนทุรายอยากจะไปทำตามความอยากทันทีแล้วถ้าไม่ได้ทำก็จะรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจ ไม่สบายอกไม่สบายใจนอกจากสติแล้วเราจึงต้องมาเจริญปัญญาถ้าเรามีสติหยุดความอยากได้ชั่วคราวแล้วกันต่อไปเราก็ต้องเอาปัญญามาสอนใจสอนในใจเลิกคิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความอยากต่างๆให้คิดไปในทางที่จะทำให้ไม่เกิดความอยาก ความคิดของเรานี้คิดไปได้สองทางด้วยกันคิดไปในรูปเสียงกิ่นรสที่จะทำให้เกิดความอยากก็ได้คิดไปคิดถึงรูปเสียงกิ่นรสที่จะทำให้ไม่เกิดความอยากก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะคิดในทางใดเช่นถ้าเราคิดถึงคนถ้าเราคิดว่าเขาสวยเขางามก็จะเกิดความอยากได้เขามาเป็นแฟน แต่ถ้าคิดว่าเขาไม่สวยไม่งามเราก็จะไม่อยากได้เขามาเป็นแฟนของเราเราต้องคิดในมุมลบอย่าไปคิดในมุมบวกอย่าไปคิดในด้านที่ดีด้านที่สวยด้านที่งามเพราะว่าสิ่งทุกสิ่งนั้นมันมีสองด้านมารวมกันด้านที่ดีก็มีด้านที่ไม่ดีก็มีด้านที่ สุขก็มีด้านที่ทุกข์ก็มีเราต้องหัดคิดในด้านลบด้วยแล้วจะทำให้เราหยุดความอยากได้ไม่อยากได้อะไรถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้ดีแต่ถ้าเราคิดว่ามันดีเดี๋ยวเดียวหรือว่าเดียวมันต้องจากเราไปพอเรารู้ว่าสิ่งที่เราได้มาจะต้องจากเราไปเราจะอยากได้หรือไม่ เช่นถ้าเราจะแต่งงานกับคนนี้เรารู้ว่าภายในเจ็ดวันเขาจะต้องตายเราจะแต่งงานกับเขาหรือไม่ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันท้งนั้นแต่เร า, าทำไมเราไม่คิดกันว่าเขาต้องตายกันเราทำไมต้องมาล่องห่มล่องห้าในภายหลังเนี่ยมีข่าวข่าว เนี่ยแต่งงานกันแป๊บเดียวจะขึ้นเครื่องบินไปหันนิ่มูลเครื่องบินก็เกิดระเบิดขึ้นมาตกตายถ้ารู้ว่าถ้าแต่งงานกันแล้วจะไปหันนิมูลจะต้องขึ้นเครื่องแล้วเครื่องบินมันจะตกนี่จะอยากจะแต่งงานกันไหมไม่อยากจะแต่งแต่ไม่คิดอย่างนี้กันคิดว่าแต่งงานกันแล้วจะอยู่กันไปรักกันไปจนวันตาย มันก็ตายเหมือนกันรักมันจนมันตายเหมือนกันแต่มันตายเร็วไปหน่อยเราไม่คิดว่ามันจะตายเร็วขนาดนั้นกันเราจะคิดว่าเราจะตายอย่างน้อยก็อีกห้าสิบหกสิบปีเจ็ดสิบปีค่อยตายกันแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความตายมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้แต่ในขณะนี้เนี่ยเราฟังเทศฟังธรรมกันเนี่เดี๋ยวเราแยากทางกันไปเนี่ย เราอาจจะไปเดินหกล้มผัวฟาดอะไรตายก็ได้หรือเดินข้ามถนนไม่ระมัดระวังโดนรถชนตายก็ได้มันมีความตายตามมาอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่คิดกันแบบนี้นั่นเองมันถึงทำให้เราระ ง, งับความอยากต่างๆไม่ได้ถ้าเราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าเรามีโอกาสที่จะตายได้ทุกเมื่อทุกเวลา และสิ่งที่เราอยากได้หรือคนที่เราอยากได้ก็มีโอกาสที่จะเสียหรือจะตายได้ทุกเวลาเหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนี้มันจะทำให้เราไม่มีความอยากได้อะไรอันนี้แหละเป็นตัวที่จะทำให้เราหยุดความอยากได้อย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องใช้สติมาคอยหยุดความคิดเราปล่อยให้ใจคิดได้ แต่ให้มันคิดไปในทางที่ทําให้ไม่เกิดความอยากเท่านั้นถ้ามันจะคิดไปในทางให้เกิดความอยากเราอยากคิดเราไปคิดในทางที่จะทําให้มันเกิดไม่เกิดความอยากตอนนี้ใจของพวกเราชอบคิดไปในทางที่ทําให้เกิดความอยากกันไม่เคยคิดไปในทางที่จะทําให้ไม่เกิดความอยากเราจึงต้องมาหัดคิดกันใหม่สอนใจให้คิด ตรงกันข้ามกับแบบเดิมเรามักจะคิดว่าเราได้อะไรมาแล้วจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะถ้าตรงกับความเป็นจริงก็จะไม่มีใครต้องมาร้องห่มร้องไห้กันแต่ทำไมต้องมีคนมาร้องห่มร้องไห้กันอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าความจริงมันไม่ได้ตรงกับ ความคิดของเรานั่นเองเราต้องคิดตามความเป็นจริงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการจากกันมีการพัดพลากจากกันไม่มีใครที่จะล่วงพ้นการพัดพลากจากกันไปได้ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องพัดพลากจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราอย่าไปมีเขาไม่ดีกว่าเลย เช่นพ่อแม่บางคนก็อยากจะมีลูกไม่สามารถมีลูกได้โดยวิธีธรรมชาติก็าระยอมเสียเงินเสียทองไปจ้างหมอให้ทำาทาวิธีผลิตลูกขึ้นมาแต่ไม่คิดเลยว่าลูกที่ได้มาบาทีเกิดมาแล้วอาจจะตายไปทันทีก็ได้พอขคลอดออกมาแล้วเดี๋ยวก็ตายไปก็ได้ หรือข้อออกมาแล้วก็พิกลพิการไปก็ได้พิกลทางร่างกายบ้างพิกลพิการทางสมองบ้างพอได้มาแล้วพอลูกเป็นพิกลพิการก็อยากจะฆ่าแล้วสิอยากจะไม่ไม่อยากจะได้แล้วเพราะไม่อยากจะเลี้ยงเด็กพิการเห็นคนอื่นเ้ามีลูกไม่พิการน่ารักน่าเอ็นดูก็เลยคิดว่าลูกของตนก็อาจจะเป็นอย่างนั้น แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันก็ไม่ได้เป็นว่าจะพิกลพิการเสมอไปแต่มันก็มีโอกาสที่จะเกิดการพิกลพิการได้เราพร้อมที่จะเสี่ยงกับมันหรือเปล่าพร้อมที่จะรับลูกที่พิกลพิการได้หรือเปล่าถ้าเราไม่พร้อมก็อย่าไปมีลูกไม่ดีกว่าอันนี้คือการคิดที่จะทำให้เรานี้ หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มาเราได้มาแล้วนี้ไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการพัดลาคจากกันเพราะนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรในที่อยู่ในโลกนี้ที่จะเป็นเหมือนเดิมไปตลอดมันจะอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะ ตายไปเนื้อมันจะศูนย์ไปสลายไปจนร่างกายของพวกเราทุกคนนี่ถ้าไม่ตายแบบนี้โลกเราคงจะล้นล้นโอกด้วยคนละ้ะถ้าปู่ย่าตายายตาทวดของเราไม่ตายกันเนีถ้าอยู่กันนี่ต่อไปเราจะไม่มีที่อยู่กันแต่ปู่ย่าตาทวดของเรานี่ตายกันไปหมดนะเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายของเขา ที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิมสุดกลับคืนสู่ที่เดิมของเขาที่มาของร่างกายก็คือธาตุสี่ดินน้ำนมไฟนี่นี่คือวิธีคิดที่เราเรียกว่าปัญญาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบว่า ถ้าคิดแบบนี้แล้วจะทำให้ไม่มีความอยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากได้ร่างกายถ้าคิดว่าได้ร่างกายแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องร้องไห้มีน้ําตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะว่าถ้าเราอยากได้ร่างกายแล้วเราก็จะไปหาร่างกายใหม่อยู่เรื่อย พอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปได้ร่างากายอันใหม่ไปก็อยู่กับมันไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ตายไปอีกพอมันตายไปอีกเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่อีกเพราะในใจของเรายังมีความอยากที่จะมีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่นั่นเองแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนความคิดซใหม่คิดว่า การมีร่างกายนี้จะต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะร่างกายทุกร่างกายที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีร่างกายอันไหนที่เราได้มาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีแล้วถ้าเราไม่อยากจะมีร่างกายเราก็ต้องหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข เราก็ต้องมองสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราว่ามันก็เป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปแล้วจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราได้อะไรมาเดี๋ยวเราจะต้องทุกข์กับมันเพราะว่าเราจะต้องมีการพัดพากจากกันนั่นเองให้คิดอย่างนี้คิดว่าทุกอย่างต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันจบ มีวันพัดพากจากกันไม่ว่าจะเป็นลูกเสียงกลิ่นรสผลิภัณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มีอยู่ในโลกนี้จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันพัดพากจากกันถ้าคิดอย่างนี้แล้วเวลาอยากจะได้อะไรมันก็จะเปลี่ยนใจทันทีไม่เอาดีกว่าได้มาแล้วเดี๋ยวทุกข์ แต่งงานแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันเวลาตายจากกันก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจหรือบางทีไม่ต้องตายจากกันก็ได้คนเราก็เปลี่ยนได้เคยรักกันก็มาเกลียดกันก็ได้มาโกรธกันก็ได้เวลาต้องมาอยู่ร่วมกันเวลาที่โกรธกันเกลียดกันก็อยู่กันอย่างไม่มีความสุขแล้วในที่สุดก็ทนไม่ได้ก็ต้องหย่ากันไปเลิกกันไปอยู่ดี ซู้ไม่มีไม่ดีกว่าเลยไม่แต่งงานกันไม่ดีกว่านะพอแต่งงานกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีก็มีความทุกข์ตามมาเป็นกระบวนเหมือนขบวนรถไฟมันเป็นเหมือนเงาตามตัวความทุกข์นี่มันเป็นเหมือนเงาตามตัวตามความสุขสุขมันจะมาก่อนแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็จะตามมาต่อไปให้หัดคิดแบบนี้ะ ถ้าเกิดแบบนี้ได้แล้วต่อไปเราจะเลิกความอยากต่างๆได้เลิกที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ได้เลิกที่จะมีร่างกายได้เมื่อเราเลิกได้ไม่กลับมาเกิดได้ไม่มีร่างกายได้เราก็หยุดร้องไห้ได้น้ําตาที่เราจะหลั่งมากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรก็จะยุติลงทันที นี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงกระทําเป็นบุคคลแรกพระพุทธเจ้าทรงสามารถหยุดความอยากต่างๆได้แล้วพระองค์ก็เลยนําเอาวิธีการหยุดความอยากนี่มาสอนพวกเราถ้าพวกเราสามารถปฏิบัติตามได้เราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าคือเราไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาทุกข์กับการ มีร่างกายไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายกต่อไปเราก็จะเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าอันนี้มีคนทำมาแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นเกินความสามารถของพวกเราถ้าเป็นสิ่งที่ยากเย็นเกินความสามารถของพวกเราพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาสั่งสอนพวกเรากัน แต่เนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงเห็นและทรงพิสูจน์ได้ว่ามีคนอย่างพวกเหล่านี้สามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สามารถหยุดความอยากต่างๆที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้สามารถที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทุกขกับการมีร่างกายต่อไปได้ พองค์ก็เลยสั่งสอนลหลังจากที่พวกที่ได้กระทำตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนจนสำเร็จได้บรรุ ถ, ถึงผลที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุแล้ว mm. เขาก็มาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปก็มีพวกพระาอาลหลนตัสสาวกที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า จนสามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วก็จะเป็นผู้ที่มาเผยแผ่สั่งสอนความรู้อันนี้ให้กับพวกที่ไม่รู้ต่อไปศาสนาของพวกเรานี่มีการเผยแผ่ความรู้นี้กันมาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ขาดตอนพระพุทธศาสานานี่มีพระอารหาันตสาวกมาทุกยุคทุกสมัย เพียงแต่ว่าปริมาณนี้มีไม่มากพอที่จะทำให้เราพบได้อย่างง่ายได้ผู้ที่จะเพราะว่าพระอาหารหันตาสาวกนี้ส่วนใหญ่ท่านก็จะอยู่ในที่ที่หายากอยู่ในป่าในเขากันผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องไปหาพระอาหารหันในป่าในเขากัน เพราะว่าในบ้านในเมืองนี้คนส่วนใหญ่จะไม่สนใจที่จะหาพระอรหันต์กันพระอรหันต์ก็เลยไม่มาเข้ามาในบ้านในเมืองกันเพราะว่ามาแล้วก็ไม่มีใครสนใจที่จะฟังคำสอนของท่านท่านก็เลยไปอยู่ในป่าในเขาเพื่อให้คนที่อยากจะฟังคาสั่งคาสอนนี้ไปหาท่านจะดีกว่าเพราะการสอนคนที่อยากจะเรียน กับสอนคนที่ไม่อยากจะเรียนนี่มีผลต่างกันมากสอนให้คนที่ไม่อยากจะเรียนก็เหมือนกับเทน้ําใส่แก้วที่คว่ำอยู่แก้วที่คว่ำอยู่ต่อให้เราเทน้ำเข้าไปมากน้อยเพียงไรมันจะไม่สามารถเข้าไปในแก้วได้เลยแต่ถ้าเป็นแก้วที่หงายอยู่นี่เทเข้าไปแป๊บเดียวนิดเดียวก็เต็มแก้วแล้วนี่คือใจของคนที่สนใจธรรมะ กับคนที่ไม่สนใจธรรมะจะเป็นอย่างนี้คนที่ไม่สนใจธรรมะนี่ต่อให้สอนปากเปียกปากฉีกไปเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ฟังเขาก็ไม่ปฏิบัติตามแต่คนที่เชื่อคนที่สนใจธรรมะนี่พอสอนเขาอย่างไรบอกเขาอย่างไรเขาก็นำเอาไปปฏิบัติตามทันทีแล้วเขาก็ได้รับผลทันทีจากการเชื่อการฟัง จากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของครูบ า, าจารย์นี่แหละทำไมพระอาหารหันตสาวกหรือพระอาาริยะทั้งหลายครูบ า, าจารย์ที่มีความรู้ทางธรรมที่แท้จริงนี้มักจะไปอยู่ในป่าในเขาเพราะในป่าในเขาเป็นสถานที่เหมาะต่อการอบรมสั่งสอนอเหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าไปอยู่ในบ้านในเมืองนี้ จะมีเรื่องวุ่นวายมากมายก่ายกองเข้ามารบกวนการเรียนการสอนได้มารบกวนการปฏิบัติได้ทําให้ผู้ปฏิบัตินี้ไม่สามารถเข้าถึงผลได้อย่างง่ายดายก็จะทําให้ไม่มีความศรัทธาวิริยะที่จะปฏิบัติตามแต่ถ้าไปอบรมสั่งสอนไปล่ามไปเรียนในป่าในเขาไปปฏิบัติอยู่ในเขานี้ จะสามารถบรรลุถึงผลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วทำให้ผู้มาเริ่มเรียนนี้ไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายจะมีกำลังจิตกำลังใจอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะได้รับผลตามลำดับในการได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนนั่นเองนี่แหละคือทำไมออพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายจึงมักไปอยู่ในป่านในเขากัน ว่าเป็นที่อำนวยต่อการเจริญธรรมเป็นที่อำนวยต่อการบรรลุธรรมกันเป็นที่อำนวยต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมจึงไปอยู่ในป่าในเขากันตัวพาาระอรหันต์ท่านเองท่านก็ศึกษาปฏิบัติและบรรลุอยู่ในป่าในเขานานๆท่านถึงจะออกมาในบ้านในเมืองสักครั้งหนึ่ง มาก็เพราะว่ามีเหตุบังคับให้มาแต่ก็ไม่ได้หวังผลอะไรจากการมามากนะเพราะรู้ว่าสภาพของคนอยู่ในบ้านในเมืองนี้เป็นเหมือนคนที่คว่ำแก้วอยู่เทน้าเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเก็บน้าไว้ได้เลยแม้แต่หยดเดียวก็เลยไม่ได้หวังอะไรมากนะแต่ก็คิดว่าเผื่อมีคนที่หงายแก้วอยู่บางคนอาจจะได้รับประโยชน์ ถึงแม้จะมีน้อยก็ยังดีเอก็นานๆก็มาสักครั้งหนึ่งแต่โดยปกติแล้วท่านรอให้คนที่หงายแก้วไปหาท่านดีกว่าแล้วท่านก็จะเทน้ําธรรมะใส่แก้วให้กับเขาไปจะไม่เสียน้ำจะเทเข้าไปเท่าไหร่ก็อยู่ในแก้วหมดแต่ถ้าเอามาเทาใส่แก้วที่คว่ำอยู่นี้เทไปเท่าไหร่ก็หมดเสียน้ําไปเปล่าๆเสียธรรมไปเปล่าๆเสียเวลาไปเปล่าๆ ท่านก็เลยไม่นิยมที่จะมาอบรมสั่งสอนอผู้ที่ศึกษาในบ้านในเมืองเพราะรู้ว่ามันผลที่จะได้รับนีมันน้อยมากมืแทบจะไม่มีเลยเหมือนการปลูกข้าวบนภูเขากับปลูกข้าวในที่รุ่มที่ในที่ลุ่มนี่มันต่างกันมากปลูกข้าวในที่รุ่มที่ราบนี่ได้ข้าวเป็นกอบเป็นกรรม บวกบนเขานี่มันได้น้อยได้ยากเพราะดินน้อยน้ำน้อยต่างกันนี่คือผู้ที่มาสืบทอดรักษาพระพุทธศาสนาคือผู้ที่มีความศรัทธาในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีความขวนขวายที่จะศึกษาคำสอนและปฏิบัติตามคำสอน จนบรรลุถึงผลอันสูงสุดที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนเมื่อท่านได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงถ่ายทอดมาได้ต่อไปศาสนาของเราอยู่กันได้ก็เพราะมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรม แล้วก็มีการเผยแผ่ธรรมนี่คือแก่นหรือหัวใจของศาสนาไม่ได้อยู่ที่การมีการสร้างถาวรวัตถุต่างๆถาวรวัตถุนี้ไม่สามารถทำให้ผู้ที่สร้างถาวรวัตถุหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาปฏิบัติและบรรลุธรรมเท่านั้นถึงจะสามารถหลุดพ้นจาก การเกิดแก่เจ็บตายได้อันนี้คือเรื่องราวของเราที่เราจะได้มาเรียนรู้กันเวลาที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเราจะไดออ้แก้ปัญหาที่เรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้ก็คือปัญหาของการเกิดแก่เจ็บตายที่เราสามารถที่จะยุติได้ถ้าเราศึกษา และเราปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ท่านจงนำมาไปพิจารณาเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวารรวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัรปติอิที่ตังปฏิทังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนโตสังกาปาจันโทปนะหราโสยตามณิจโตริหราโสยตาสัพติโยวิวาจจานโต สัพพะโรโขวินัสตูมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาฒนสีริสาณิจังวุฒาปัจายโนจตารโธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ เ, เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามเองก็ขึ้นมาที่ศาลาจะมีไมโครโฟนให้ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งขึ้นมาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ๊กมี256คนค่ะทางยูทูบ228 ทางวิทยุออนไลน์ส3มสิบสามผู้รับผู้ขึ้นมารับฟังบนเขาแปดสิบเจ็ดรวมทั้งหมดหกร้อยสี่คนค่ ะ, ะก็ยังอยู่ในหกร้อยอยู่ไม่ต่ำกว่าหกร้อยวันนี้ช่วงแรกทาง Facebook สัญญาณขัดข้องค่ะก็ อ, อันนี้จังเห็นไหมตัวสัมมือถือมันก็ยัง อ, อันนี้จังร่างกายเราก็ อ, อันนี้จังเหมือนกันเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ ถ้ามีคำถามก็อ่านอ่านได้เลยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเพื่อนอยากร่วมทำบุญพิมพหนังสือพระอาจารย์เพราะเพิ่งได้อ่านหนังสือที่ได้รับมาเมื่อสองปีที่แล้วแล้วเกิดศรัทธาไม่ทราบจะทำได้ทางไหนคะก็ติดต่อที่โลงพิมพสินสยามนะเขาเป็นผู้ที่พิมพหนังสือหลงพิมพสินสยามจะ ในหนังสือนี้เขาจะมีเบอร์ติดต่อได้บางบางเล่มอาจจะไม่ได้พิมพ์ที่โรงพิมพ์นี้แต่ส่วนใหญ่จะพิมพ์ที่โรงพิมพ์นี้ชื่อโรงพิมพ์สินสยามลองค้นหาดูก็ได้แล้วก็แจ้งความจํานงว่าอยากจะร่วมพิมพ์หนังสือเวลาที่เขาจะพิมพ์หนังสือเขาจะได้แจ้งให้ทราบแล้วเราก็จะได้ร่วมได้คําถามจากคุณอารยาค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ อยากเรียนถามว่าช่วงนี้มีซองให้ทำบุญจากเพื่อนๆมาให้ช่วยเยอะมากส่วนตัวก็มีซองจากวัดมาให้ช่วยแจกด้วยแต่เราไม่คิดจะแจกใครๆเพราะเกรงใจเพื่อนมากๆก็จะใส่เองแล้วส่งกลับวัดค่ะโบราณว่าถ้าเราช่วยเรียกคนมาร่วมทำบุญได้เยอะชาติหน้าจะมีบริวารมากจริงไหมเจ้าคะถ้าเขามาด้วยศรัทธาก็มี แต่ถ้าก็มาด้วยความจำใจก็จะไม่มีเพระฉนั้นต้องให้เขาทำร่วมกันด้วยศรัทธาเขาถ้าเขาศรัทธาในตัวเราเขาเห็นเราทำอะไรเขาก็จะร่วมทำกับเราแต่ถ้าเราไปบีบบังคับให้เขาทำโดยที่เขาไม่มีศรัทธาเขาก็ทำด้วยความจำใจอันนี้เขาก็จะไม่อยากจะติดตามเราพ <c oughs> <c oughs> ติดตามแล้วมันทำให้เขาไม่มีความสุข คนที่ติดตามเราเนี่ยเขาต้องมีความสุขเขาถึงติดตามเราเห็นไหมเด็กสมัยนี้ติดตามดารากันเพราะเขามีความสุขเห็นหน้าดาราเห็นดาราร้องรำทำเพลงแล้วมีความสุขเนีเราต้องทำตัวของเราให้เขารักเราชอบเราแล้วเขาก็จะติดตามเราเองคำถามจากคุณสดาหยุทธ์ค่ะนมัสการพระอาจารย์ครับ ถ้ามีภรรยาแล้วแต่เลิกรากันแล้วเราไปมีภรรยาคนใหม่แบบนี้ผิดศีลหรือเปล่าครับแล้วเป็นบาปไหมครับถ้าเลิกรากันตามตามกฎหมายตามขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไม่ผิดเนี่ถือว่าตายจากกันไปแล้วเราก็ไปมีใหม่ของเราแต่ถ้าเลิกราแบบเราเลิกเขาแต่เขาไม่เลิกกับเร า, านี้มันยังไม่ถือเป็นการเลิกกัน เราอาจจะบอกว่าเราเลิกกับเขาแล้วแต่เขายังไม่ยินยอมอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเลิกกันจริงต้องยินยอมกันทั้งสองฝ่ายคำถามจากคุณนางค่ะจะมีอุบายใดดึงจิตให้กลับมามีสติทุกลมหายใจและทุกการเคลื่อนไหวได้เจ้าคะก็บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆตืเนขึ้นมาลืมตาก็พุทโธพุทโธพุทโธไป ทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปอาบน้ำก็พุโทโธไปล้างหน้าก็พุโทโธไปหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปเดี๋ยวสติก็กลับมาพุโทโธเป็นตัวที่จะดึงสติให้กลับมาได้คำถามจากคุณกําทนค่ะเวลาเรานั่งสมาธิฟังธรรมะทำสมาธินั้นจะแตกต่างกับการที่เรากำหนดลมหายใจพุโทโธจะทำได้ทั้งสองวิธีไหมครับ หหนนอ่าใมเวลาเรานั่งสมาธิฟังธรรมะทำสมาธินั้นจะแตกต่างกับการที่เรากำหนดลมหายใจพุโทโธจะทำได้ทั้งสองวิธีไหมครับทำได้แต่ต้องไม่พร้อมกันต้องเอาวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าฟังธรรมก็ตั้งใจฟังไปเอาเสียงธรรมเป็นอารมณ์ถ้าไม่ฟังธรรมก็ดูลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ไปผลก็จะได้คล้ายๆกัน แต่ผลจากการดูลมนี่น่าจะดีกว่าเพราะจะเข้าได้ลึกกว่าเพราะว่าผลที่เกิดจากการฟังธรรมบางครั้งมันยังติดอยู่ที่เสียงอยู่คำถามจากคุณนกค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าผู้ใหญ่ชังเราเกลียดเรากลีกครั้ง ก, กลีหนก็เอาแต่ไล่ให้ออกไปให้พ้นผลถ้าเราย้ายออกไม่ได้และต้องอยู่ด้วยกัน จะเป็นบาปใหม่เจ้าค้าที่ทําให้เขาไม่มีความสุขก็ถ้ามันเราไม่ได้ไปไปทําร้ายร่างกายเขาหรือทาอะไรเขาไม่มีความสุขเพราะเขาไม่ชอบเราอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้มันไม่มันไม่เป็นการทําบาปทํากรรมของเราเอถ้าก็เราถ้าเราไปพูดเราไปทําอะไรที่ทําให้เขาเสียหายเนี่ยถึงจะถือว่าบาปแต่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งนี้เราไม่บาป แต่เขาไม่ชอบเรานี่ก็ถือว่าเป็นกิเลส ข, ของเขากิเลสเขาคือเขาชังเขาไม่ชอบเราคำถามจากคุณสิทธิพง์ค่ะตลอดปี2561มามีพ่อแม่ครูอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละสังขารมากมายเช่นพระอาจารย์เปลี่ยนแม่แตงหลวงปู่ลีที่อุดรล่าสุดหลวงปู่บุญริศ สิทธิ์อุโสหลวงปู่ชอบเราจะนําเรื่องราวเหล่านี้มาพิจารณาเป็นธรรมะอย่างไรครับก็เรามีการพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันสิ้นสุดลงทั้งเราทั้งเขาไม่จากเป็นก็ต้องจากตายกันเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับถ้าจะมองในมุมหนึ่งก็มองว่า เมื่อของเก่าตายไปก็จะมีของใหม่ขึ้นมาแทนที่ยุคสมัยหลวงปู่มั่นเวลาท่านเสียก็เศร้าโศกเสียใจกันพอท่านผ่านไปบรรดาลูกศิษย์ของท่านก็ปรากฏขึ้นมาทําหน้าที่ต่อพอศิษย์ของท่านตายไปก็มีลูกศิษย์ของลูกศิษย์โผล่ขึ้นมาอีกก็มีมาตั้งแต่สมัยยุคพุทธกาลแล้วพระพุทธเจ้าตายไปก็มีพระสาวกต่างๆขึ้นมาทําหน้าที่ต่อ พ อ, พ, อพอสาวกพพอพระสาวกที่ทำหน้าที่ต่อตายไปก็มีพาษสาวกของพาษสาวกโผล่ขึ้นมาใหม่เฉนั้นถ้าเราจะคิดอย่างนี้เราก็อย่าไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหมดแล้ ว, ลวเลยอยากจะถามนะเดี๋ยวส่งไม้ไปหน่อยส่งไม้ไปจะได้ยินกันทั่วถึง ขอการพัดอารย์ครับการกําหนดอายตนะทั้งหครับเราควรกำหนดนหกํ า, าก ห, กหนดดูอย่างไรครับที่ให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดประโยชน์กับตัวเราครับเกิดอะไรกหนดอะไรนะอายตนะทั้งหกครับอายตนะทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจครับก็กําหนดให้เรารู้เฉยเฉยอย่าไปลักไปชังอย่าไปยินดีนร้ายกับสิ่งที่เราสัมผัสรับรูบ้ เช่นเห็นรูปก็เฉยเฉยอย่าไปรักอย่าไปชังได้ยินเสียงก็อย่าไปรักอย่าไปชังให้สักแต่ว่ารู้วิธีทําให้ใจเราสักแต่ว่ารู้ได้เราก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกขางั้นก่อนที่เราจะไปกําหนดอายะตนะให้มันสักแต่ว่ารู้ได้ให้เป็นมรรคเป็นผลได้เราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนสร้างสมาธิสร้างอุเบกขาขึ้นมา เราต้องมีสติเพื่อให้มีสมาธิเมื่อมีสมาธิเราก็จะมีอุเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วเราเวลาออกจากสมาธิมาเรามาสัมผัสรับรูบร้รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะหรือธรรมารมณ์เราก็สักแต่ว่ารู้ไปรู้ด้วยปัญญารู้ว่าเขาเกิดแล้วก็ดับเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่วุ่นวายกับเขาเราก็ต้องปล่อยวางรู้เฉยเฉยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขา เหมือนเหมือนใบบัวหยดน้ำบนใบบัวสัมผัสรับรู้กันแต่ไม่ซึมซาบเข้าหากันถ้าใจเราไม่มีอุเบกขาใจเราจะเป็นเหมือนกระดาษพอมีหยดน้ำมาหยดลงบนกระดาษมันก็จะซึมใจของปุตุชนใจของผู้ที่ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาพอเห็นอะไรก็จะรักจะช่างขึ้นมาทันทีพอได้ยินอะไรก็จะรักจะช่างขึ้นมา แต่ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วจะเฉย ใ, ใครจะชมก็เฉยใครจะด่าก็เฉยเท่ากันมันก็เป็นแค่เสียงเสียงชมเสียงดา่าเท่านั้นเองมันไม่มีความเป็นจริงในคำว่าดา่าคำว่าชมเลยเขาชมว่าเราเป็นควายเขาด่าว่าเราเป็นควายเราก็ไม่ได้เป็นควายซะหน่อยเขาชมว่าเราเป็นเทวดาเราก็ไม่ได้เป็นเทวดาซะหน่อยมันแค่เป็นเสียงเท่านั้นเอง คนที่มีสติมีปัญญาจึงไม่หลงไม่หลงไปรักไปชางกับเสียงหรือรูปหรือกลิ่นรื่อสอะไรต่างๆรู้ว่ามันเป็นแค่สักแต่ว่าเท่านี้สักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ารูปไม่มีอารมณ์ไม่ทุกข์ไม่สุขไปกับการไปสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้ต้องอาศัยการฝึกสติมากๆให้เกิดสมาธิขึ้นมา ให้มีสมาธิมากๆถึงจะสามารถทำใจให้เฉยได้เมื่อเฉยแล้วก็ต้องใช้เมื่อมีสามารถทำใจให้เฉยได้แล้วก็ต้องคอยเอาปัญญามาสอนเวลาเห็นแล้วอะไรยังไม่ยอมเฉยก็ใช้ปัญญามาสอนว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าถ้าไม่มีปัญญาถึงแม้จะมีอุเบกขาแต่มันจะไม่ใช้อุเบกขามันจะใช้ความรักความชังได้ แต่ถ้าอยากจะใช้อุเบกขาก็ต้องมีปัญญาคอยเตือนใจคอยสอนใจว่าต้องใช้อุเบกขานะต้องเฉยนะอย่าไปรักอย่าไปชังนะไปรักไปชังแล้วเดี๋ยวจะต้องเสียใจในภายหลังจะต้องทุกข์ในภายหลังครับสาธครับอ่าก็ใจไมกใจครับอ่าดีอ่ะสองกลับอ่านี่ปฏิบัติไปไกลแล้วนเนี่ยไปถึงอรยตนะแล้วเนี่ย <c oughs> คำถามจากคุณวน์น็อตค่ะกลาบน้ำมัสการหลวงพ่อครับผมภาวนามาหลายปีแล้ว ป, ปกติจะทำฌานก่อนคือเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วถอยออกมาอุปจาระพิจารณากายบ้างนามธรรมาบ้างบางทีได้แค่อุปจาระสมาธิก็จะพิจารณานามธรรมาบางทีทาฌานไม่ได้เพราะฟุ้งซ่านก็จะพิจารณาร่างกาย ผมขนเล็บฟันหนังและนำ ม, มาทำบ้างบางทีก็บริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกมีอยู่วันหนึ่งหลังจากอาบน้ำเสร็จกำลังจะนั่งลงบนเตียงใจไปนึกถึงความตายอัตโนมัติจิตมันเข้าชานอัตโนมัติเป็นปัญญาญาณเห็นสิ่งทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุเป็นดินน้ำลมไฟพ้นจากการปรุงแต่ง จิตมันทวนเข้ามาหาจิตแล้วพิจารณาลงที่จิตแต่ไม่ทันแจ้งมันก็ถอนออกมาเสียก่อนเหตุการณ์นี้ผ่านมาสองปีกว่าแล้วผมไม่ได้คาดหมายภาวนาเหมือนเดิมแต่สภาวะนั้นไม่ยอมเกิดขึ้นอีกไม่ทราบว่าผมขาดอะไรไปหรือทําอะไรขาดไปไหมครับก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเกิดแล้วก็ดับไป ความสำคัญอยู่ที่เราว่าในปัจจุบันเราทาเอาความรู้ที่เราได้จากการปฏิบัตินั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือเปล่าเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงธาตุเราก็เอามาใช้กับมันในปัจจุบันมองเห็นอะไรก็มองเห็นว่าเป็นธาตุไปไม่ไปลักไปชังไม่ไปยึดไปติดคำถามจากคุณกําพลค่ะ การที่เราเห็นคนอื่นทําบุญทําทานและเราอนุโมทนาบุญนั้นเราจะได้บุญไหมครับถ้าเรามีความสุขก็ได้บุญเห็นเขาทำบุญแล้วเราดีใจไปกับเขาเราก็ได้ความดีใจได้ความสุขไปแต่ถ้าเราอนุโมท น, น, มทนาทางปากแต่ใจเราไม่เห็นไม่ยินดีกับเขามันก็ไม่ได้บุญบางทีเพราะว่าเป็นเงินของกองสีแล้วเขาไปทําบุญ เราขาดทุนเราเสียดายเงินของกงศีเราไม่อนุโมทนาเราอาจจะพูดทางปากแต่ทางใจเราเสียดายเอาเงินไปทำไมเอาเงินของตัวเองไปเสเอาเงินของกงศีไปทำได้ยังไงถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะไม่ได้บุญแต่ถ้าคิดว่าอ้างเงินกงศีก็เราก็เป็นของเราด้วยเขาทำเราก็ได้ด้วยนี้เราก็มีความสุขจากการอนุโมทนาพระอาจารย์คะแต่ถ้าบางทีเราไม่ได้พูดอนุโมทนามาแต่ว่าใจเรารู้สึก ดีแล้วก็คือถือว<ก>่าอะไไม่ต้องพูดก็ได้ถ้าไม่ต้องมีเวลาไม่ต้องมีโอกาสพูดก็ไม่ต้องพูดนะคือการอนุมโมทนาบุญนี้เพื่อกําจัดความอิจฉาริษยาหรืหหอความหวงแหนอาจจะเป็นสิ่งของที่เรามีส่วนเป็นเจ้าของด้วยเช่นสามีชอบทําบุญแต่ภรรยาไม่ชอบทําบุญเนี่เวลาสามีทําบุญภรรยาก็ดงดหงิดลำคาญใจแต่ถ้าภรรารู้จักอนุโมทนา เ, าเขาทํา ก็เป็นเงินของเราด้วยเป็นสองฝ่ายเขาทำเราก็ได้บุญด้วยอนุโมธนาไปกับเขาดีกว่าก็าจะมีความสุขขึ้นมา <c oughs> คำถามจากคุณนางค่ะคำถามที่หนึ่งตอนเป็นเด็กคุณแม่จะห้ามฆ่าสัตว์โดยบอกว่าถ้าเราฆ่าสัตว์กี่ตัวเราต้องไปเกิดเป็นสัตว์นั้นๆจำนวนชาติเท่ากับสัตว์ที่ตายตอนนี้โตแล้วอยากถามว่าเราจะเกิดจานวนชาติเท่าที่เราฆ่าจริงหรือไม่คะ จริงเนี่ยค่ากี่ตัวก็ต้องกลับไปเกิดกี่ครั้งนั่นแหละค่ะคำถามที่สองค่ะพบและชาติเกิดได้อย่างไรเจ้าคะก็เกิดจากจิตเราที่ไม่มีร่างกายก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ถ้าเป็นร่างถ้าเราเคยไปค่าร่างกายแบบนี้มาเราก็จะถูกเขาขค่าหมดแล้วทําอะไรก็จะได้สิ่งนั้นทำบุญก็จะได้บุญกลับเกินมา บ่อยจากเงินไปเดี๋ยวเงินก็จะกลับมาหาเราดูพระเวสสันดรเนี่ยบ่อยจากเงินทองเข้าของมากมายกายกองพอกลับมาเกิดใหม่ก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีบริสัดมีบริวารมีเข้าของเงินทองเต็มไปหมดทําบาปมันก็จะกลับมาหา เ, าเคยไปทําบาปกับพระเทวทัตพระเทวทัตก็เลยกลับมาจองเวรจองกรรมกันั่าน ไปทําให้พระเทวทัตไม่ไม่สบายใจไม่พอใจไปขัดลาบเทวทัต่พระทัตก็เลยโกรธเกลียดก็เลยมาจองเวรจองกรรมกันเี่ยทําอะไรมันก็จะกลับมาหาเราทําดีก็ความดีก็จะกลับมาหาเราทําไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลับมาหาเราพระอาจารย์คะ อ, อบริจาคเลือดนี่ถือว่าเป็นบุญที่มากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยคะก็มันก็อยู่จํานวนของการเสียสละ ถ้ามันเป็นการเสียสละมากก็บุญมากเสียสละน้อยก็บุญน้อยอยู่ที่ว่าเรามองที่สิ่งที่เราเสียสละว่ามีคุณค่ากับเรามากน้อยเท่าไหร่ถ้าเรารู้ว่าเราเสียสละสิ่งที่มีคุณค่ามากเราก็จะรู้สึกมีความสุขมากถ้าเราเสียสละสิ่งที่มีคุณค่าน้อยเราก็จะรู้ไม่มีความสุขมากเช่นของที่เราอยากจะโยนทิ้งเราก็เสียสละเหมือนกัน แต่มันเป็นขยะมันก็เลยไม่มีความรู้สึกเหมือนกับเสียของที่ไม่ได้เป็นขยะแสดงว่าแต่ละคนะจะได้บุญจากแต่ละสิ่งไม่เหมือนกันใช่เพราะความผูกพันมีมากน้อยเท่าไม่เท่ากันบางคนรักสิ่งนี้มากบางคนรักสิ่งคนอีกคนหนึ่งอาจจะรักไม่เท่ากันเช่นคนสองคนคนนึงรักเมียมากอีกคนนึงเกลียดเมียคนที่เกลียดเมียยกเมียให้คนอื่นก็ไม่มีความสุขอะไรมากนะ ไม่ได้เสียสละเหมือนกับคนที่รักเมียแล้วยอมเสียสละถ้าเมีย อ, อยากจะไปมีคนอื่นก็ยอมเสียสละให้ให้เมียมีความสุขอย่างนี้คนที่เสียสละสิ่งที่รักมากก็จะมีความสุขมากคุณค่ะ <c oughs> คําถามจากคุณสาลินีค่ะการช่วยบวชพระถือว่าได้บุญมากจริงไหมคะมีคนมาชวนให้ร่วมทําบุญบวชพระบอกว่าช่วยต่ออายุให้คนป่วยได้ค่ะอ๋อไม่ได้หรอก ก็เหมือนกับทำบุญอย่างอื่นเน่เพราะสิ่งที่เราเสียก็คือเงินทองเงินทองจ่ายค่าบวชค่าอัฐบริการไปก็เหมือนกับเอาเงินทองก้อนนี้ไปทำบุญอย่างอื่นเอาไปเอาไปสร้างกุฏิเอาไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็มันก็เป็นบุญเหมือนกันแบบเดียวกันเพราะมันเป็นการเสียสละเงินแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี่ไม่เหมือนกัน การให้คนมีบวชได้นี้อาจจะส่งเสริมให้เขาได้ไปเป็นพระอรหันต์ต่อไปถ้าไปสร้างกุตกิก็ไปสร้างที่อยู่ให้เขาได้มีที่อยู่เฉประโยชน์ของสิ่งที่เราเอาไปทํานี้มันไม่เหมือนกันแต่บุญที่เกิดจากการเสียสละเงินก้อนเดียวกันนี้เท่ากันไม่ว่าจะเสียสละเงินก้อนนี้ไปกับการบวชคนนั้นคนนี้หรือไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ บุญที่เกิดจากการเสียสละของเหล่านี้อยู่ในใจเราเท่ากันมีความสุขใจอิ่มใจเท่ากันคำถามจากคุณเวค่ะตอนใกล้ตายควรจะคิดถึงอะไรคะออตอนนั้นออตอนนี้ตอนนั้นมันไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ตอนนี้ต้องหัดปล่อยวางร่างกายต้องปง่งอย่าไปยึดไปติดกับร่างกายถ้าร่างกายมันจะตายก็ให้มันตายไป วิธีที่จะปล่อยวางก็ต้องทําใจให้สงบพุทโธพุโทพโธไปถ้าเราไม่หัดทําตั้งแต่ตอนนี้ไปรอไปทําตอนตายมันทําไม่ทันเหมือนถ้าจะเข้าห้องสอบถ้าไม่เตรียมตัวทําอ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้รอไปอ่านตอนที่จะเข้าห้องสอบมันไม่ทันเวลาไม่ทันเวลาไม่พ อ, อาการที่จะเตรียมตัวตายนี้ต้องเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้ไปเพราะหนึ่งเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อาจจะตายวันนี้เย็นนี้ก็ได้ ถ้าเราเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้อย่างน้อยเราก็อาจจะพร้อมที่จะตายอย่างสบายถ้าเราไม่เตรียมตัวเราคิดว่าเราอีกยี่สิบปีค่อยตายแล้วค่อยมาซ้อมกันตอนนั้นมันก็จะไม่ทันการางั้นต้องคิดเสียว่าเราอาจจะตายได้ทุกเวล า, างั้นเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้ไปเตรียมทําใจให้สงบเตรียมปล่อยวางร่างกาย สอนใจให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งที่เราจะต้องทิ้งไปเพราะมันจะเสียมันใช้ไม่ได้เราก็ไปหาเครื่องใหม่ถ้าเรายังจะอยากจะเกิดใหม่เราก็จะไปได้ร่างกายอันใหม่คาถามจากคุณปฐมพรค่ะกราบนามัสการเจ้าค่ะเราพร้อมที่จะตายทุกๆวันนี่เราคิดผิดไหมคะเป็นการแช่งตัวเองหรือเปล่าเจ้าคะ ก็พร้อมจริงหรือเปล่าก็อีกเริ่อถ้าพร้อมก็ดีถ้าพร้อมที่จะตายเวลาตายจะไม่ทุกข์เลยถ้าไม่พร้อมที่จะตายจะทรมานมากจะกลัวมากคําถามจากคุณแบงค์ค่ะวิญญาณกับจิตตัวเดียวกันไหมคะวิญญาณมีสองชนิดด้วยกันวิญญาณที่เป็นจิตก็คือเวลาไม่มีร่างกายจิตที่ไม่มีร่างกายก็เรียกว่าวิญญาณเรือดวงวิญญาณ แต่วิญญาณอีกตัวหนึ่งนี้วิญญาณในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่เรียกว่าวิญญาณในขันในขันห้าคือวิญญาณที่รับรูปเสียงกลิ่นรสมาจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วส่งมาให้ใจผู้รู้อีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิญญาณอีกตัวหนึ่งมีสองวิญญาณนั้นต้องเข้าใจว่าเราพูดถึงวิญญาณตัวไหนถ้าเราพูดถึงตัวจิตตอนที่ไม่มีร่างกายจิตก็เรียกว่าวิญญาณเอ ถ้าเราพูดถึงตอนที่จิตมีร่างกายเราก็พูดถึงวิญญาณคือที่วิญญาณที่รับรูปเสียงกลิ่นรสมาจากตาหูจมูกดินกายมาส่งให้ที่ใจเราเรียกว่าวิญญาณนักขันอันนี้เป็นวิญญาณนัขันมีสองวิญญาณคำถามจากผู้ฝากถามค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์พระสงฆ์ไม่รับกิจนิมนต์ถือว่าผิดไหมเจ้าคะไม่ผิดหรอกไม่มีคาสั่งที่จะต้อง ไปรับเกิจนิมนต์การจะรับเกิจนิมนต์หรือไม่รับนี่ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของพระสงฆ์ท่านจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้คำถามจากคุณอุ๊ค่ะถ้ามีคนมาหลงในพระอริยะอยากแต่งงานถ้าไม่ได้แต่งจะทําร้ายร่างกายตัวเองพระอริยะจะรู้สึกผิดบาปไหมคะออ๋ไม่รู้สึกอะไรมันเรื่องของเขาะ เรื่องของคนอื่นอะไรเงี้ยมันใบบ้ากับคนอื่นเนี่ยค่ ะ, ะคำถามจากพี่จุ๋มค่ะเคยไปปฏิบัติธรรมวัดป่าครั้งหนึ่งขณะนั่งสมาธิอยู่มีความรู้สึกว่าหัวใจเบาเย็นเย็นและหมุนเย็นเย็นประมาณห้านาทีถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะตั้งแต่นั้นมาไม่เกิดอีกเลยเจ้าค่ะก็เกิดอย่างที่เกิดถ้าไม่เกิดเนี่ก็ ก็ลองทำใหม่ดูสิอย่าอย่าไปอยากให้มันเกิดเวลานั่งก็ให้ทำแบบที่เราเคยทำถ้าเราดูลมก็ดูลมไปถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธไปอย่าไปคิดถึงอาการที่เคยเกิดแล้วมันจะไม่เกิดคำถามจากคุณต้อยติ่งค่ะการที่เราสบมนต์ต่างๆที่วัดหรือที่บ้านสวดประโยคผิดบ้างเพราะเป็นภาษาบาลีอ่านยาก แบบนี้จะเข้าถึงบทสวดพระพุทธเจ้าหรือเปล่าคะ อ, อ๋อการสวดนี้ไม่ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าหรอกการสวดนี้เป็นการฝึกสติให้เราหยุดคิดปรุงแตง่งเรื่องราวต่างๆให้เรามีกําลังหยุดความคิดนไม่ได้สวดเพื่อให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดเพื่อให้เกิดสติขึ้นมาคําถามจากคุณกล้าจเจริญค่ะ มนุษย์ต่างดาวสามารถช่วยมนุษย์ได้จริงหรือไม่ช่วยพ้นภัยพิบัติโลกก็ยังไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านี่ขี้เดียจตอบคําถามที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงทงหมดบอกแล้วเลยอออย่าไปสนใจกับเรื่องที่เราไม่รู้หรือเราพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าเป็นจริงหรือไม่จริงมาสนใจเรื่องที่เขาพิสูจน์ว่าเป็นจริงแนละ้วดีกว่าอย่างพระพุทธเจ้า ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปคืออบายมีจริงผลของบุญคือสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงให้มาเราสนใจเรื่องที่เป็นเรื่องจริงดีกว่าเพราะเราจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนเราทำบุญเราตายไปเราได้ไปสวรรค์อย่างแน่นอนเราทาบาปเราต้องไปอบายอย่างแน่นอนเรา ปฏิบัติทำยุติความอยากได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอันนี้เป็นความจริงที่แน่นอนที่ที่จะได้เราจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงให้เราสนใจกับเรื่องที่มันเป็นจริงดีกว่าให้เรื่องที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนี้ก็วางไว้ก่อนเราลให้เขาพิสูจน์ได้ก่อนว่ามีมนุษย์ต่างดาวจริงหรือเปล่าเมื่อมีแล้วดูว่าเขาทาอะไรให้กับเราได้หรือเปล่าก่อนมีหมีคำถามหม